ศาสนาแผ่นที่7จ็ดสิบรปดับที่13โดยหลวงพอ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีสแสดงคำในวันที่18เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าพ่อสอนลูก วันนี้เป็นการประชุมกรณีพิเศษมีหลายเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจคือเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับมีคนเข้ามาวัดแต่ก็พอสืบสอบดูแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เป็นคนเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าคนไม่ปกติแต่ที่ยังไงก็เราควรจะทำความเข้าใจกัน มันเป็นของจริงเข้ามาพวกเราจะพิธีมีพิธีแก้ไขและวิธีดำเนินการอย่างไรหรือว่าต่างคนต่างอยู่อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งอันที่สองก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราจะได้ได้เตรียมพร้อมในงานถาาึงจะเป็นไม่ใช่เราจัดงานก็เถอะแต่งานมาพลาดมาเกยงานมาพลาดเรา ลานงานมาให้เราได้ให้ช่วยกันได้คิดได้รับงานไม่ใช่งานน้อยเหมือนกันอ่ะตาพวกเราก็เคยได้ผ่านมาพู้ที่เคยผ่านมาก็คงจะรู้ว่างานนี้มันไม่ใช่งานคนไม่ใช่คนน้อยอันที่สองก็คือขณะที่เราดำเนินการงานเนี่ยโตไหนบ้างที่ยังขาดเหลือขาดตกอยู่ จ้องได้ปรับปรุงแก้ไขในค่าจะใช้จ่ายแล้วว่าค่าดำเนินการแล้วว่าสิ่งของอันไหนที่มันขาดตกบกพร่องอยู่พวกเราจะได้ช่วยการคิดถึงจะไม่ช่วยการคิดก็เถิดหลวงพ่อในฐานะหัวหน้าก็จะต้องบอกกล่าวแนะนำบอกว่านี่งานนี้ก็คืองานของหลวงพ่อรับเต็มๆไม่ใช่ใครอื่นรับ หลวงพ่อเป็นคนรับเต็มๆเพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้รับผิดชอบใน อ, อาวาสแหงนี้แล้วกัพวกท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่กับหลวงพ่อก็ต่างคนก็ต่างรับผิดชอบคนละด่านกันคนละมุมกันคนละเรื่องกันแต่ทิ้งยังไงก็พยายามแบกจัดการช่วยกันอันไหนจะจะให้สําเร็จร่วงไปได้ อันนี้คือเป็นหน้าที่ของพว ก, พวกเราทุกคนไม่ทิ้งให้คนใดคนหนึ่งไม่ได้ไม่รับผิดชอบรวมกันไม่ได้ถ้าว่าไม่ต้องการรับผิดชอบนี้อย่าให้เป็นขยะอย่าให้หนักวัดอีกต่างหากเพราะว่ามันอยู่ข้าไปแล้วมันก็หนักทั้งที่ไม่รับผิดชอบแล้วก็ยังอยู่อยู่แปลว่าหนักมู่หนักหลวงพ่ออีกต่างหากให้หนีออกไป ทางว่าอยู่ก็ต้องรับผิดชอบร่วมด้วยกันอันไหนควรจะปฏิบัติตนอย่างไรควรจะทําอย่างไรหน้าที่ของเราแต่ละคนที่แบ่งให้หมู่พวกเพื่อหมู่พกเพื่อนแบ่งงานให้ให้ทํานั้นให้ทําอะไรอันนี้ให้พวกพวกเราช่วยกันเคิดอันนี่ก็คือส่วนหนึ่งอันที่อันดับต่อไปก็คือเรื่องกิริยามารยาทของพระ ในวัดของเราพระน้อยพระหนุ่มพระที่เป็นนวกะหรือเป็นพระที่ยังไม่เคยผ่านงานมาในวันเช่นนั้นเมื่อเวลาคนเข้ามาจุนจานน้านเพ่นพ่านวุ่นวายพระในวัดของเราควรปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้ก็ให้ช่วยๆกันดูพระเก่าต้องแนะนําบอกกล่าวแล้วก็พระใหม่ดื้อด้านไม่ได้แต่เมื่อพระเก่าบอกแล้วก็ต้องฟัง ปฏิบัติตัวยังไงควรจะครองพระลูกควรจะเดินไปที่ไหนหรือไม่ควรนั่งที่ไหนหรือไม่ควรไปยืนกับครวาญญาติโยงเขาเพราะเราเป็นพระเราไม่ใช่ครวาญอยู่ในฟอร์มของเราก็บอกกัแล้วเป็นพระเราจะไปโตโตเตะไปคุกคลีกับศรัทธาญาติโยงครวาญเขาไม่ได้ไม่เหมือนเราเป็นพระอยู่ในสถานะพระ พระเข้าใจไหมพระไม่ใช่คารวาสไม่ใช่โยมเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนี่อันนี้ก็คื อ, คอพวกเราจะต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะตลอดถึงเรื่องการบริหารเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องไฟใครเป็นคนรับผิดชอบเป็นยังไงมันจะอันตรายกับคู่ขนอย่างไรเรื่องไฟการต่อไฟการ เชื่อมไฟต้องดูไม่ใช่ว่าเชื่อมเข้าไปแล้วไปชอ็อตตรงช็อตเต้นต่อกันเป็นอันตรายกับคู่คนสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงก็ให้ช่วยกันคิดเรื่องน้ําก็เหมือนกันน้ํามันไหลไปทางไหนเพียงพอหรือเปล่าใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องน้ําให้ช่วยกันคิดเรื่องน้ำํำแต่เรื่อง ไทยทานพระครูบาอจารย์มาอย่างที่พวกเราที่เคยจัดเราจะถวา ย, วายไทยทานอย่างไรอันนี้ก็พวกท่านทั้งหลายก็ต้องได้คิดถวายพระสงฆ์แต่เราเน้นเรื่องสมผานเจอ้อาวาดมากกว่าแต่นอกนั้นเราก็ถวายไปไม่ให้ในเน้นเราเน้นเรื่องเจ้าอวาดเพราะว่าท่านมีน้ําใจมาสู่วัดเรา เราก็ควรจะถาวายข่าน้ํามันท่านแต่สําหรับพระองค์ตโตโตเต๋มาอย่างอื่นเราไม่ต้องเน้นแต่ก็ควรจะถาวายบ้างอันนี้กรสซิงเหล่านี้ก็เป็นแนวนโยบายของหลวงพ่อแล้วก็ทางครัวก็เหมือนกันวัสดุเสียงไหนที่เราจะต้องได้ใช้แต่เราไม่ใช้แบบรู้ละโออาฟุ่งเฟือยไม่ใช่ เราใช้ให้รู้จักให้เพียงพอสำหรับพอประมาณเหมือนพระกรรมฐานไม่ใช่ว่าทำอะไรน่นผูกโบ น, น เ, เป็นเจ้ากี้เจ้าการเจ้ายดเจ้าอย่างไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้มีอยู่มีกินมีใช้ให้ถูกต้องตามโลกสมมติอย่าให้หรูหราโอ้อาเพราะชีวิตของพระกรรมฐานพระป่าอย่างพวกเราไม่ให้ลืมตัว อย่าไปใช้อะไรอุดยชุยแชร์ เ, ออเวอร์จนเกินไปออจนทางโลกเขามองอีกมุมหนึ่งโอ้โหข น, นาอยู่ในป่าพระกรรมาฐานวัดป่านี่ใช้ขนาดนี้เชี่ยวเหลือขนาดเราเป็นครวัตญาตโยมยังไม่กล้าใช้อย่างนี้อย่าได้ถึงกับขนาดนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักสถานะของตนเองทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครัวให้รู้จัก นี่อันนี้ก็คือในฐานะหลวงพ่อหลวงพ่อนี่อยู่ในสถานที่ใดหลวงพ่อเองไม่เคยลืมตัวยงบอกอย่างนั้นได้ถึงจะมากมีดีจนขนาดไหนก็ตามหลวงพ่อรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยู่ในสถานะไหนเราเป็นพระกรรมฐานะมัึงขอให้พวกเราพระเนนทุกอง์พระทุกองค์ทั้งฝ่ายทั้งในครัวทุกคน ให้ช่วยช่วยการคิดนะให้ช่วยกันคิดช่วยกันดูแลเรื่องงานอย่าให้ขาดตกบกพร่องตลอดถึงที่เขาจะเอาของมามอบให้ออกไปที่ไหนให้พระเป็นหน้าที่ของพระช่วยการคิดว่าเขาให้ถามติดต่อผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีกี่หมู่บ้านให้พระเป็นผู้จัดการแยกแจกแบ่ง ออกไปให้เขาดูแล ร, รักษาในหมู่บ้านของเขาทางในครัวของเหมือนกันก็จะมี ส, ส่วนส่วนร่วมคล้ายๆกัาให้รับรู้รับทราบไม่ใช่ว่าหน้าที่ไม่ใช่ค่าข้าวไม่ใช่หน้าที่ต่อยทิ้งกันไปใครน้าอยู่หน้าที่ไหนก็ตามถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นทุกคนพร้อมเป็นหน้าที่ทุกคน ไม่ใช่ว่าหน้าที่ของข้าแล้วไม่ใช่หน้าที่ของข้าจุดนั้นเป็นหน้าที่ขององค์อื่นเราก็ไม่ได้สนใจพอเป็นหน้าที่ของเขาต่างคนก็ต่างไม่ไม่ใช่หน้าที่ผลี่สุดงานจุดนั้นก็บกพ่องถึงงานจะดีขึ้นขนาดไหนก็เถอะมันมีจุดบกพ่องเสียหายมากๆขึ้นมาในจุดนั้นก็เสียหายทั้งงานเหมือนกันเพราะนั้นเสียงเหล่านี้เราทุกคน ต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบใดทุกงะทุกอย่างถึงจะไม่ใช่งานเราก็เถอะเราก็ต้องหาผู้รับผิดชอบเออเราได้แต่งตั้งใครจุดนี่เขาไปไหนคนนั้นไม่มีเหรอไม่มีเอาเราเข้าไปรับไปรับแทนไว้ก่อนไลายเพราะมันจะเสียเสียของเสียงานเสียความรู้สึกผู้ที่เขามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็พร้อมกันแขก ที่จะมาพักมีใครบ้างที่เขาบอกล่วงหน้าไว้ก่อนแขกผู้มีอายุมากเราจะให้พักหลังไหนที่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ให้ช่วยกันแบ่งพระเอาไว้เป็นหูเป็นตาตอนรับขับสู่ในแขกผู้ใหญ่คล้ายๆบอกผู้สูงอายุเราตอนรับยังไงให้เมื่อท่านมาถึงวัดเราท่านมีน้ําใจมาถึงวัดมาสู่วัดของเรา เราพูดเป็นเจ้าของของพื้นที่เราก็ต้องมีน้ําใจต้อนรับขับสู้ญาติโยมผู้ที่ท่านเข้ามาสู่วัดของเราสิ่งเหล่านี้แหละปฏิสันถานคาระวะตาเคารพในปฏิสันฐานมันไม่ใช่อื่นไกลนะเป็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เราการบวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะ อยู่เฉยเฉยเมยเมยไม่รู้จักไม่ไม่มีรู้จักไม่ให้ใครรู้จักหรือไม่รู้จักกับใครเลยมันไม่ใช่นะอันนี้เราว่าคาระวะในพระพุทธเจา้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในภูมีพระ ค, คุณในปฏิสันถานปฏิสันถานคือแขกที่มาวัดสู่วัดของเราเราก็ต้องต้อนรับเขาอยู่ยังไงกินยังไง เป็นยังไงอันนี้เราก็ต้องเป็นหน้าที่ของพระในวัดของเราจะช่วยดูครูบาอาจารย์มาเราจะต้อนรับยังไงอันนี้คือฝ่ายพระสงฆ์กับแบกแบ่งกันต้อนรับเวลาพระครูบาอาจารย์มาจะให้พักที่ไหนบ้างเสื้อสะอาหมอนเป็นยังไงเอาไว้กองไว้ที่ไหนสาหรับพระสำหรับศรัทธาญาติโยมเอาไว้กองไหนได้เตรียมไว้แล้ยัง พวกเสื้อสะอาดหมอนผ้าหฮมสําหรับพระสงฆ์สําหรับฆราวาสสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกท่านทั้งหลายอันนีเ้เพียงแต่เราหลวงพ่อย้ำเท่านั้นเองนะแต่พวกท่านทั้งหลายก็คงเคยทํามาจนพอแรงแล้วล่ะแต่ว่าหัวหน้าอย่างหลวงพ่อไม่ไม่ไม่ย้ำคล้ายๆว่าห่างเหินเออ ทำแบบชังกระตายไม่มีกรรมทำแบบจักดวัตวธรรมไม่มีแก่จิตแก่ใจที่จะทำอย่างนั้นใช้ไม่ได้บอกอย่างนั้นถ้าทำไม่เห็นแก่จิตกระจไม่มีแก่จิตแก่จิตกระจยที่จะทำแล้วทำแบบไปเสียไม่ได้แปลว่าใช้ไม่ได้ถ้าอยู่ที่วัดของหลวงพ่อว่านักวัดถ้าอยู่ที่วัดหลวงพ่อนะพระประเภทอย่างนั้นแปลว่าหนักวัดหนีออกไปชะดีกว่า ไม่ต้องให้อยู่ในหูในตาไม่ให้ขวางขวางหูขวางตาเพราะนั้นหลวงสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเคยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในองค์หลวงตาหลวงพ่อรับทุกอย่างเพราะนั้นหลวงพ่อจึงกล้าพูดกล้าแสดงกลรแนะนำให้กับพวกท่านทั้งหลายอยู่ใสถานที่ใดต้องทาดีที่สุด ในช่วงที่เราอยู่ถ้าเราไม่ต้องการอยู่หนีอยู่ทำไมอยู่ให้ขวางอยู่ให้ขวางท่านทำไมขวางหูขวางตาท่านจะถึงให้ท่านได้ไล่นั้นขนาดน้เที่ยวเหรอแต่ท่านได้ไล่ก็แสดงว่าเราเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานไม่ใช่มนุษย์ผู้ได้รับการศึกษาที่ดีถ้าผู้ได้รับการศึกษาที่ดีแล้วอันไหนควรไม่ควรอย่างไรปฏิบัติ ทำอะไรรับการศึกษาที่ดีๆนะเป็นวัวเป็นควายต้องถูกไล่ซะก่อนให้ตัเพิดซะก่อนลไล่เหมือนวัวเหมือนควายให้นีจจากวัดอย่ามาอยู่แถวนี้นะขนาดนั้นเชี่ยวเหรอตอนนั้นพวกเราไม่น่าจะเป็นถึงขนาดนั้นเราอยู่นักศึกษาที่ใดต้องตื่นตัวต้องทำดีที่สุดอนะนี่แหละอันนี้แหละคือที่หลวงพ่อย้ำกล่าวเตือนพวกเราท่านทั้งหลาย แต่พวกหลวงพ่อเขาเหมือนกันอยู่ในสถานะที่หลวงพ่อดูแลต่อไปพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ใหญ่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วบริหารจัดการอย่างไรดูแลอย่างไรในเรื่องวัดของตนเองบริหารจัดการอย่างไงในเรื่องที่ตัวเองตัวเองอยู่ณสถานที่นั้น ถ้าพวกเราายในการศึกษาฝ่ายในการเรียนรู้อยู่กับครูบาอาจารย์แล้วเน่ยเราจะรู้ได้วิธีการบริหารจัดการอย่างไรถ้าอยู่ที่ไหนก็อยู่กลัวจะกลัวเขาจะได้กินแรงตัวเองกลัวจะออกแรงกินแรงตัวเองอยู่แบบชั่งก็ตายลอเลาะแหลและหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงผลในสุดมีอะไรก็กินใช้เหมือนกับหมูคณะ แต่เวลาการทำการทางานนะหลบหลบเล็กเกอันนั้นแปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่ออินนะไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพอ่อลูกศิษย์หลวงพ่อส่งให้ทำอะไรทำถ้าไม่เข้าใจบอกถ้าทำสิ่งไหนที่ไม่ทำไม่ได้บอกเราจะแนะนำเราจะบอกกล่าวพวกท่านทั้งหลายคงจะเห็นรู้ที่เราก็าไปทำงานกับ งานของหลวงตางานยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราไม่ได้อวดเราไม่ได้คุยเราก็ทำได้อย่างที่นั้นทำอย่างสุดๆชุดใจและกังานของหลวงปู่ล่าและก็งานครูบาอาจารย์ได้หลายองค์ที่เราได้ทําเข้าไปช่วยงานแล้วเราจะทาอย่างสุดเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรอีกต่างหากมีแต่ทุ่มเทให้อย่างสุดๆแต่คิดว่าเราจะจนไม่จนหรอก อย่าไปคิดว่ามันจะจนเมื่อทำลงไปแล้วนั่นเทวดาตามนุษย์ผู้สูงส่งเขาเห็นเขามองรู้ว่ามีจิตใจขนาดไหนอย่างไรเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่มาไปชมหรือว่าเรียกไปชมในวันนี้ก่อนนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวในความคิดช่วยการช่วยงานกัน ใครมีหน้าที่อะไรให้ช่วยกันขาดเหลืออะไรขาดตกอะไรให้ช่วยกันคิดบอกกล่าวกันเป็นหูเป็นตาการอยู่ด้วยกันเหมือนกับนกที่อยู่ในป่าในวัดของเราถ้าเห็นเหยี่ยวมาต่างตัวมันหลายหูหลายตาต่างคนต่างร้องบอกเตือนกันอา้าวอันตรายนะ้อร้องเจียกยัก ทั้งกรอกทั้งกระแตตั้งอยู่ในพื้นดินจากนั้นก็ต่างกนต่างหลบซ่อนอยู่ในความสงบเงียบไม่บินเพราะมันเป็นเป้าถ้าบินเข้าไปจนกว่าแล้วเหยื่ยวออกไปหมดแล้วมันจึงล้องเตือนกันแล้วก็หาอยู่หากินตามปกตินี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันเป็นหูเป็นตาสิ่งที่อันตรายไม่อันตราย สิงที่จะช่วยกันอย่างไงในหมู่ในคณะถึงจะมีมากน้อยการอยู่ด้วยกันก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าอยู่ด้วยกันไม่เท่าไหร่มีแต่อิจฉาพยาบาทกันคนกลัวคนนั่นได้ดีคนคนนี้ได้หนาอ่ า, อากลัวคนนั้นรู้จักผู่คนมาก อ, าอ่าอิจฉากันในหมู่ในคณะนั่นแหละเป็นหนทางแห่งความจิบหายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเห็นไหม พระเทวทัตอิจฉาพระพุทธเจ้าเป็นยังไงลงเอเวจีมหานรกนความอิจฉานั้นไม่ใช่อื่นไกลเพราะนั้นความอิจฉาเป็นบ่อเกิดเป็นบ่อเป็นหนทางแปลว่าทางทางไปสู่เอเวจีมหานรกเพราะนั้นพวกเราจะไปทางทางเส้นเล็กทางเส้นน้อยทางเส้นใหญ่อย่าไปคิดไปทางใครจะได้หน้าอ้าวยกให ใครจะมีชื่อเสียงเอาบอกให้เว้นเสียเถิดได้ชื่อได้เสียงได้เกียรติได้ยศได้เยียบหัวหมูพวกเพื่อนด่าพวกเพื่อนซะก่อนองคนั้นเลวองค์นี้ใหม่ดีคูบาองค์เจนยกจกของขึ้นเป็นบุคคลพิเศษอันนั้นละ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาองไหนให้บอกหลวงพ่อเลยองไหนในหมู่ของเรามีไหม เหยียบย่ำคนอื่นแล้วตัวเองถีบตัวเองขึ้นมาดูถูกคนอื่นแล้วยกตัวเองขึ้นมาเหยียบคนอื่นตลอดถึงพวกอยู่ในครัวมีไหมพระในวัดของเรามีไหมถ้วเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้ามีเราบอกถ้าบอกเข้ามาแล้วถ้ากินได้ยินถึงสองสามปากแล้วนะแปลว่ามันจริงนะแต่หลวงพ่อก็ยังไม่เชื่อทีเดียวนะ แต่ถ้าหากว่ามันมันมีเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วจริงอพอจริงนะั่นแหละเราก็ต้องหาวิธีการจัดการให้หลบให้หลีกไปที่อื่นก่อนอย่างนี้เป็นตน้นแต่ถ้าหากว่าดูๆแล้วมันเป็นพิษภัยจริงนั่นแนหะไล่ออกไม่ควรจะมาเกี่ยวข้องกับหมู่ไปดังไปดังอยู่คนเดียวนั่นนะอย่ามา เหยียบย่ า, ยาทำลายหมู่พวกเพื่อนวัดว า, าศาสนาจะมาหาเด่นดังอยู่แถบนี้แถบนี้นะตรงนี้ไม่ใช่ตัวหาราบหายศนะที่ของเราหนึ่งวัดของเราหมู่พวกเพื่อนของเราหลวงพ่อแนะนำให้สู่มรรคผลนิพพานให้เสียสละให้สู่ให้บำเพ็ญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจหลวงพ่อมาได้สอนให้ ใส่ลาบใส่ยศใส่สื่อใส่เสียงใส่กลวยงากลวยหอมใส่เงินใส่ทองใส่อยากจะให้ลูกศิษย์มีหน้ามีตาล่ํารวยเป็นกระห hạ บูรีเศรษฐีขอจนเรียกอาเสียหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นลุงสอนหลวงพ่อสอนให้พระของเรานี่มักน้อยสันโดษให้ลูกถึงจะมีมากก็ไม่ให้ลืมตัวไม่ให้ฟุ่มเฟือย ให้รู้จักประหยัดให้รู้จักเก็บถึงใ ไ, ได้มามากก็ให้รู้จักเก็บมันเหลือใช้แล้วก็แจกให้วัดอื่นให้คนอื่นให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าจะมาทิ้งทิ้งควางควางอิลูยชุยแจกอย่างนั้นแปลว่า น, นิสัยไม่ดีเมื่อตัวเองไปเป็นสมพานก็นั่นแหละผลในสู่ก็เลี้ยงตัวไม่ได้เพราะอะไรเพราะนิสยัยไม่รู้จักการบริหารจัดการ ไม่รู้จักประหยัดพูดง่ายๆลืมตัวใช้แบบลืมตัวเวลาตัวเองได้ของมาที่เขามาถวายมาทำท่าพูดกนะักแนแหนกันแหนทาท่าดูถูกของเขาแต่เมื่อตัวเองเป็นคราวาัตรล่ะตัวเองเคยได้ทำบุญอย่างนี้ไหมที่เขามาถวายมาเนะตัวเองขี้เหนียวยิ่งกว่าอะไรมีแต่ไปหาซื้อเหล้าซื้อยาซื้อของที่ตัวเองชอบ ที่คิดจะทําบุญนะไม่มีมันเป็นอย่างไงยังเป็นอย่างนั้นไหมสิ่งเหล่านี้เราก็เคยเห็นพระในวัดของเราที่เขาซื้อของมาแล้วทำท่าตําหนิเขาไม่ดูตัวเองเมื่อเขาได้มากของไม่ดีจะทํายังไงเทไม่ดีเอาก็ใช้ตามที่มันไม่ดีเก็บไว้ใช้เป็นเสียแต่เราไม่ต้องการถ้าเราไม่ต้องกา ร, าเ ร, า อ, การ อ, อเออก็ไม่ว่ากันแตสิ่งที่เรายังจะนํามาใช้อยู่ ถึงไม่ดีเราก็ต้องใช้ตามที่มันไม่ดีไปก่อนพอเขาให้มาอย่างนี้พอเราเป็นชีวิตนักบวชได้ยังไงมาก็พอใจในเรื่องที่ได้มาก็แสดงว่าเป็นเพราะบุญวัดาสนาบา ร, รมีของเราเนอเราก็อยากจะได้ของดีอยู่แต่เขาเอามาให้ของอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีบุญ เ, เราคงไม่มีบุญในอดีตชาติ เขาจึงได้ถวายของมาอย่างนี้ให้กับเราก็ไม่เป็นไรเราก็พอใจในการที่เขาออกมาให้ใช้แต่เมื่อมันเสียหายแล้วค่อยยังค่อยว่ากันอีกเพราะของวัตถุในโลกกันนี้แนหะมันจะท้าววันมั่นคงไปตลอดชั่วอวสานเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเป็นอันกดอันนิจังทุกขังอนาตาเหมือนกันมีอะไรก็ใช้ไปตามอัถภาพตามสมณะสารูป นั่นแหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพอ่อได้พูดได้กล่าวมาให้พวก เ, าวกเราท่านทั้งหลายฟังนะฟังนะพอหลวงพอ่อเองสรุปแล้วก็คืออยากจะให้ลูกน้องบริวารลูกศิษย์ลูกหลานของหลวงพอ่อลูกลูกของหลวงพอ่อออกไปจากหลวงพอ่อไม่ให้ลืมตัวให้เป็นพระที่ดีถ้าเป็นคราวาสก็ให้เป็นคราวาสที่ดีอย่าลืมตัว ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้รู้จักใช้ ใ, ใช้ด้วยความประหยัดอย่าไปใช้แบบฟุ่มเฟือฟุ่มเฟือยแบบปลืมตัวให้ช่วยกันเก็บสิ่งของที่ได้มาโดยเป็นธรรม <Yeah. S 1> แล้วก็อย่างที่เรื่องอคือเมื่อวานวันก่อนมีคนเข้ามาในในเกตวัดพระทั้งก็ ดีอยู่หลวงพ่อก็ชมอยู่เวลากลับไปกลับไปเห็นเขาอมันขึ้นมาลักษณะเป็นประสาทประสาทที่ดูดูแล้วทางตำรวจก็ก็ว่าอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็เถอะหม่ๆแล้วก็ไม่วั่นใจแต่มันกพ็พูดรู้เรื่องหมดทุกอย่างพระท่านก็ได้นิ ม, มนต์ครูบาไปช่วยช่วยกันอไปดูประคับประคองหรือว่านามาแล้วก็บอกเจ้าหน้านที่ตำรวจ เอามาไว้ที่ศาลาจากนั้นก็มอบให้ตำรวจเข้าไปแต่หลวงพ่อก็บอกว่าออืให้ดูทางในครัวด้วยนะเพราะว่าอ ม, มันคนปีนรั้วเข้ามาอย่างนี้นะ่ะมันเจตนาไม่ดีแหละถ้าว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาหรือว่าคนที่มีความรู้หรือคนที่แต่จติสมบูรณ์่ะอันนั้นยิ่งไม่ดีแต่อันนี้มันทํามามันเข้ามาได้อย่างไร ทั้งที่เรามีกำแพงสูงถึงขนาดนี้ไม่ใช่มันจะขึ้นมาได้ง่ายๆแต่ถึงยังไงก็เถอะแต่พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาททางหลังวัดไปบินทบาทแนละ้วอย่าไปลืมนะอันนั้นนะคือเปิดประตูไว้ถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วนะั่นใครเป็นคนทำละ่ะถ้าใส่กุญแจออกไปกระสายซะใครเป็นคนออก ต้องรู้กันทางหน้าวัดก็เหมือนกันพอหกโมงแล้วก็ปิดทางประตูทางนู้นก็เหมือนกันทางนอกศาลาข้างนอกก็ให้พวกท่านทั้งหลายดูยังทุกวันถ้าไม่มีใครอยู่ให้ปิดใส่กุญแจ ถ้ามีแต่สร้างวอลคนเดียวเอากุญแจให้สร้างวอลเวลานัากใส่ให้สร้างวอลใส่กุญแจข้างในบอกข้างสร้างบอลด้วยวัดนี่ไม่ใช่วัดสร้างบอล น, นะวัดของเราวัดพระวัดพ ร, พระต้องพระต้องรับผิดชอบ เ, อเวลาสร้างบอลมากับปิดซะใส่กุญแจข้างในทําการทํางานพอเสร็จแล้วก็เปิดกุญแจแล้วก็ออกไปกใส่กุญแจอีกข้างนอกอีกอให้กุญแจกับเขาไว้แต่ สองสามประตูนี่ก็ปิดไว้เมื่อพระออกมาแล้วตอนบ่ายจะค่อยเข้าไปเปิดไม่ใช่ว่าปล่อยทั้งวีทั้งวันไม่ได้นะคนเล่ห่าเข้าไปพระอยู่ในวัดดูๆแล้วไม่ดีสมบัติมันมีอยู่ในนั้นมันมีอยู่สิ่งของที่เราบางทีอาจจะเผล่อรายสิ่งของที่เราจะนำมันมีของลืมอาจจะมีถ้าเขาเห็นนะั่นนะ มันก็เสียหายแต่แรงว่าเราไม่ใส่ใจขาดความรอบคอบสิ่งเหนึ่งให้พวกให้พวกเราช่วยกันคิดนะให้ช่วยกันคิดเพราะวัดวัดศาสานาเนี่ยมันไม่ใช่ของผู้ใดใครผู้หนึ่งให้ช่วยกันคิดกุญแจจะไปเปิดยากอะไรใครมีความจําเป็นจะต้องได้ใช้กระบอกทั้งในครัวต้องจำเป็นไหมแต่ะจะเปิดประตูไหน ประตูกลางแล้วประตูไหนก็ให้ประตูหนึ่งซะมันต้องมีสีทั้งสี่ประตูนะ เ, เมื่อเข้าไปแล้วก็ให้ปิดไปทำงานเสร็จแล้วออกมาเปิดเปิดแล้วก็ปิด อ, อันนั้นคือรักษาประตูรักษาวัดในมุมทางนาู้นไม่ใช่ว่าเาขาไปค้นอะไรยุยชุยแฉกหมดแล้วยังค่อยโบกเวกปวยวาย อันนั้นโง่มีเรื่องขึ้นมาแล้วยังค่อยมาพูดกันจาดว่าโ ง, ง่พวกเราจะ่าไปโง่เราต้องฉลาดก่อนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดนะแล้วก็พร้อมกันถ้ามีคนเข้ามาจะใครก็าตามเข้ามาเห็นตกปลาหรืออะไรก็ตามเห็นขนแปลกหน้าเข้ามาเฉยเฉยไม่ได้นะทุกองต้องเป็นหูเป็นตา พอเห็นเขามาแล้วก็ต้องไปบอกองค์อื่นต้องบอกพระเกา่าเอ๊ะผมเห็นเขามาเขาไมเขามาตกเป็ดในในวัดของเรามันเป็นยังไงกูบาเนี่นี่แหละกูบาเมื่อได้เยินก็ต้องมาหาพระเวียนใช่เอ๊ะเป็นยังไงเนี่นี่แหละมันก็ต้องช่วยกันไปดูในเรื่องนั้นๆอไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเฉยต่างคนต่างเม ย, ย์ไม่ได้นะ ในเมื่อเห็นแล้วก่อนนะจับมาบอกมาบอกไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มีอยู่แล้วนะหมวดดิดหมวดเ อ, เอกก็มีอยู่แล้วที่มาประจำวัดของเราทางในครัวก็เหมือนกันถ้าเป็นไปได้พอตกกลางค่ำกลางคืนพอค่ํามาแล้วพอจะใส่กุญแจมีกุญแจปิดไหมประตูครัวอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันอันนั้นกัน อย่างองหลวงตามหาบัวท่านวาดนะประตูวัดท่านใส่ใจขนาดหนักนะพอตกตอนเย็นท่านไปตรวจ ด, ดูเองเลยนะเดินไปไปไปถึงแล้วก็ดูแล้วก็กลับมาใครเข้า่าท่านเดินจักลมไปด้วยนะแต่ตามที่จริงถ้าไปดูความพร้อมความเรียบร้อยแต่ท่านท่านมาพูดท่านว่าดเนี่ยประตูนะต้องปิดนะใส่กุญแจ ขนาดแย่นะ่ยตัวแย่นะ่ยมันยังปิดรูของมันมันจึงหามันหามันยังปิดรูของมันเราเป็นพระเป็นคนทั้งคนไม่รู้จักกระทั่งปิดประตูบ้านของตัวเองนะ่ยมันโง่ ก, กว่าแย่นะอันนี้ก็คือหลวงตาคําพูดของหลวงตาที่ท่านบอกกล่าวพระเพราะฉะนั้นประตูรั้วประตูที่พักผ้าอาศัย ต้องดูแลตรงต้องรับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองลูกกรอนของเราเป็นไงใช้ได้ไหมมันตกนะมันตกก็บอกมามันใช้ไม่ได้ลูกกรอนลูกกุญแจเป็นยังไงสายอยู่เป็นยังไงมันเสียหายยังไงกุญแจมันไม่ดีก็บอกกุญแจขแขวนและกุญแจลูกบิดนะที่มันใช้ไม่ได้เราต้องบอกอันนี้คือความ ปลอดภัยสำหรับกุติของตนเองทางฝ่ายพระก็เหมือนกันเวลาข้ามคืนก็เหมือนกันเวลาเราพักกลางคืนลูกกรอนของเราเป็นยังไงเวลาเราออกมากุญแจเป็นยังไงถ้าไม่มีกุญแจก็บอกกูบาเวนสาลาเฮ้กูบากุญแจผมอยากจะได้กุญ แ, แจกูบาเวนสาลาก็ต้องมันมีอะไรก็บอกพระจะถุก ป, ปจัจจัยเราก็ เอาไว้ให้อยู่สําหรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้ า, ามีอะไรเราก็ไม่ได้หวงได้ห้ามของใช้ภายในวัดสําหรับสับปปายะสําหรับพระในวัดของเราสิ่งเหล่านี้หลวงพ่ออํานวยความสะดวกให้กับพวกพระความปลอดภยัยเรื่องการเป็นอยู่ในวัดของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกทันนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ช่วยกันคิด ตลอดถึงฟ้าฝนลมมากระหลวงพ่อก็เคยพูดเคยกล่าวให้ระมัดระวังเนอที่ปลอดภัยกับที่ศาลาเวลาฝนฟ้าฝนลมแรงมาก็ให้ช่วยๆกันมาหลบอยู่ที่นี่ถ้าว่ายังไม่หลบกนให้มองหาที่ต้นไม้ต่ำๆหรือข้างกำแพง <c oughs> ที่ไม่มีต้นไม้ช่วยๆกันจับกลุ่มกัน คือลูกขึ้นไปนู่นสถานีวิทยุที่ไม่มีต้นไม้ผู้พาคเก่าต้องช่วยแนะนำพระใหม่ไม่ใช่ว่าฝนตกลมแรงก็ไปหมกอยู่ที่ต้นไม้สูงสูงให ญ, ใหญ่บางทีไม้โคนทับนะเป็นยังไงแสดงว่าพระใหม่ยังไม่รู้ยังไม่เรียนรู้เรื่องพายุฝนพายุลม พระเก่าที่อยู่ก่อนก็ต้องเป็นเป็นหูเป็นตาในละแวกนั้นใครอยู่ ใ, ใกล้ๆเราเราต้องเป็นหูเป็นตาไปบอกกล่าวเอ้ยอยนี้ออกไปออกไปทาวนั่นไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อ่อันนี้ก็คือความปลอดภัยของหมูนะ่คณะเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทุกท่านนะอันนี้คือการอยู่ด้วยกันเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยกลางคืนหรอเป็นยังไงเวลาปวด ปวดหั ว, วปวดท้องอย่างแรงด้ว ง, งูกัดอย่างนี้แต่ขาบกัดอย่างนี้ เ, เราก็ค้อนทบฝาเลยเราต้องเตรียมเตรียมค้อนเตรียมไม้ไปไว้ก้อนหินไปไว้ถ้าเออถ้ามีกลางคืนถ้ามีปัญหาอะไร เ, เราจะต้องเอาก้อนหิ น, นทบข้างฝาเป็นละคังเลยทบปางปางปางปางปางแล้วก็ปางปางปางปางปางพระที่อยู่ใกล้ก็ให้สังเกต ว่าเสียงทางไหนหมู่พวกเพื่อนมีอะไรเขาต้องมีอะไรเราก็ต้องวิ่งเข้าไปสายไปยังไงมีอะไรไหมถ้าว่ามีอะไรองค์ที่อยู่ไปก่อนก็ต้องเฝ้าก่อนหรือให้องค์หนึ่งเฝ้าเฝ้าองค์นั้นก่อนองค์นั้นก็ต้องวิ่งมาบอกพระศาราพระศาลาก็ต้องบอกหมู่เข้าไปช่วยกันดูเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมากน้อยแค่ไหนจะได้ใช้คนมากไหม แล้วก็ใส่รถเข็นเข้าไปใส่รถปิกอัพเข้าไปหรือใส่รถอะไรเข้าไปขนออกมาหรือหามออกมาส่งโรงพยาบาลหรือส่งที่ไหนเอามาไว้ที่ศาลาสิ่งเหล่านี้คือความปลอดภัยของหมู่คณะที่อยู่ด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่นะถึงจะอยู่กุฏิไกลก็เถอะห่างกันแต่มันได้ยินเราก็ค้อนทบฝา เพอทุบฝาเท่านั้นอ่ะแต่ตามปกติหลวงพ่อก็บอกถ้าไม่จําเป็นอย่าเอาค้อนไปทุบฝาเล่นอย่าไปเคาะอย่าไปตีตะปูตอนใกล้ค่ํำหรือกลางคืนห้ามตีตะปูเว้นเสียแต่กลางวันแล้วก็ไปซ่อมกุฏิแล้วก็ซ่อ ม, อมได้แต่ถ้ามาตกตอนคืนกลางคืนตอนเย็นห้าม อย่าไปเคาะอย่าไปทาให้มีเสียงอันนั้นคือเป็นการสัญญาสัญญาณความปลอดภยัยสาหรับพระภายในวัดถ้าได้ยินเสียงกลางคืนดึกเดินขนาดไหนก็เถอะเราได้ยินเสียงเราเรีบไป อ, องค์ไหนอยู่ใกล้เข้าไปดูก่อนทางในครัวก็เหมือนกันที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ฝ่ายพระอย่างเดียว ในครัวของเมือนการทําไมสบายจะเป็นลมหรือมันผิดปกติเนะ่เอาค้อนทุบฝาอะไรปังปๆงปังปังปั ง, ป ง, ปงาจากนั้นกูผู้ยิวใกล้ก็ไปดูกันก่อนที่จะไปดูก็จับทีมันก่อนไปชวนกันก็กอดคนนั้นคนนี้ไปนะมีอะไรอสองสามคนก็ใส่ไฟฉายไปไปดูมีอะไรนี่แหละอันนี้คือ การอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันทะเลาะว่าะแวงกันจนไม่เผาผีจีกระดูกกันเวลาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกลางคืนแล้วทำยังไงมันต้องพึ่งพาอาศัยกันเมื่อเมื่อคราวจําเป็นนี่แหละอันนี้ก็ฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพูดท้งนี้ท้งนั้นคล้ายคล้ายกับว่าเตรียมพร้อม ฝึกซ้อมทำความเข้าใจในการ <c oughs> อยู่ด้วยกันอย่างที่เมื่อคราวที่แล้วอย่างที่ว่าเมื่อคนเข้ามาวัดควรจะปฏิบัติอย่างไรต้องเรียกหาหมู่พกเพื่อนได้หลายคนมารับรู้รับทราบร่วมกันจากนั้นก็ช่วยกันคิดปรับปรุงแก้ไขแต่เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วหลวงพ่อก็เห็นด้วยกับการกระทาของพวกคูบาทั้งหลาย ควรจะทำอย่างนั้นละนะแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นต่อไปภายภาคหน้าเขาจะมาในมุมไหนอย่างไรก็ควรช่วยช่วยกันทำตลอดถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็พร้อมการเรื่องงานดูดูท่านหน่อยเขาเข้ามาแล้วน่ไม่กี่วันให้ช่วยช่วยกันดูความพร้อมของงานอันไหนขาดเหลือขาดตก ในงานของเราช่วยกันดูแบ่งงานกันตลอดถึงการต้อนรับครูบาอาจารย์ที่มาในงานจะให้พักที่ไหนบ้างตลอดถึงพี่น้องประชาชนพักที่ไหนบ้างแต่ตามไม่จริงก็พักตามที่เราจะพักได้จ้าลาล้างนี้ก็พักทั้งชั้นบนชั้นล่างได้ทั้งนั้นแหละโรงครัว ที่ฉันน้ำก็พักได้ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่กูบาอาจารย์ก็ไปพักได้แต่ถึงยังไงอันไหนควรจะให้คนเข้าไปอันไหนไม่ควรจะให้คนเข้าไปอันนั้นต้องพวกท่านทั้งหลายต้องดูให้ดีอย่าให้คนลุ่มล่ามกุญจงกุญแจไม่มีไม่มีกุญแจครับอันนั้นโง่ามาก ไม่มีไม่มีได้อย่างไรมันไม่มีขนาดนั้นเชียวหรือโง่ถึงขนาดนั้นเชียวหรือมันทำไมไม่หาอย่างเขาหาอย่างอื่นเ็ายังหาได้เพียงแค่นั้นหาไม่ได้หรือทำไมไม่รู้จักความรับผิดชอบไม่รู้จักความไม่รู้จักปลอดภัยไม่รู้จักรักษาสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะพูดให้พวกเราท่าทั้งหลายถึงใจ ไม่ใช่ว่าทําอะไรแบบชังกระตายแบบรอเลาะเลยแหละๆๆถ้าไปเป็นสมพานกับนั่นหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้รอเลาะเลยแหลไปเรื่อยเ <c oughs> มื่อเป็นไปคารวะากันไม่คุ้มตัวเองอีกต่างหากรอเลาะเลยแหละอีกสรุปลักมาเป็นพระก็รอเลาะเลยแหละใช้ไม่ได้นะพวกเราต้องจริงจังและจริงใจการทํางานกูบาอาจารย์แนะนําบอกกล่าวอะไรทํา ทำให้เข้าใจถทำในเมื่อเข้าใจแล้วทํำในเมื่อหมู่พวกเพื่อนมอบความไว้ว า, างใจมอบให้ทำทำแต่ช่วยกันทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยเรานเน้นหนักเรื่องน้ำเรื่องน้ํำสําคัญบางปีไม่บอกหมู พอไปปิดน้ำเสร็จแล้วเนี่ยไม่เปิดพอในสุดเนี่ยน้ำไม่ไหลจึงค่อยประเติประเตเกือบงานจะจบแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงพวกเราต้องคิดและก็พร้อมกันแล้วก็ต้องถามต้องเอาคนฝ่ายผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยให้ไปเปิดกุญแจด้วยบางทีคนบางคนไปล็อก ประตูทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิงไว้ทิ้งไว้ไวไวคิดสนุก เ, เวลาคนปวดขี้ไม่รู้จะไปที่ไหนวิ่งไปวิ่งมาทามีกุญแจบิดปิดมันมีลูกบิดนั่นแหละเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่ไม่นิยมให้ใช้ลูกบิดให้ใช้แต่ลูกกลอนปิดเปิดเพราะว่ามันเคยเคยได้ยิน เคยได้ยินออพอปิดปิดทิ้งทงิว่าคนจะเข้าไปก็ขเข้าไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันลูกกรมันปิดแต่ที่แท้มันไม่ใช่คนเขาอยู่ข้างในมันคนคิดสนุกนี่แหละคนมันทำบาปทำกรรมมันทำหลายหลายแนวทางเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเนี่ย เ, เราต้องหาคนไปดูดูตรวจตราทำไมมันปิดนาน แล้วไปเคาะดูถ้าไม่มีใครอเอากุญแจไปเปิดในห้องนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราเป็นเจ้าของบ้านต้องช่วยกันคิดใครเป็นคนรับผิดชอบในจุดนี้ก็ต้องมีใครเป็นคนจะรับผิดชอบในน้ํามีไม้ไฟมีไห ม, ไ ม, ไหมแล้วก็เครื่องทําไฟของเรามีความจําเป็นน้ํามันน้ํามันเครื่องใครเป็นคนสตาร์ตติดเครื่อง เป็นภูลับิดชอบสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้พวกท่านทั้งหลายช่วยกันดูนะหลวงพ่อมิจะบอกกล่าวแ น, นะนําเท่านั้นนะหลวงพ่อในฐานะที่ว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบ้านเป็นพ่อทํามันเสียหายขึ้นมามันเสียหายใครเสียหายสูเจ้ามันยังเป็นรองนะอแต่ว่าเสียหายของหลวงพ่อนะจากนั้นก็เพราะเหตุอะไรเพราะดูกน้องบริวารหลวงพ่ออินทะเลาะกัน ไม่เป็นเอกภาพต่างคนต่างทำพ้นก็เลยงานออกมาก็เลยไนงะกระจุยกระจายเหมือนกับผีบ้าอยู่ด้วยการทำงานลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเรียกว่าใครมีความเห็นอย่างไรหรือขาดตกอะไรที่หลวงพ่อพูดออกไปเนี่ยนะจะช่วยกันนะไม่กี่วันข้างหน้ า, าวันนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดแลเี่นนะ ไปยังอีกแปดวันถึงวันงานแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ไม่ได้วิตกกังวลมากหรอกที่พูดทางนี้ทางนั้นนะเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อก็พูดประกาศอยู่แล้วนะอหลวงพ่อไม่ได้จัดงานด้วลูกหลานนะงานจัดหลวงพอ่อเพรอะหตุไรจว่างานจัดหลวง พ, พ่อเพราะหลวงพ่อมัไม่ได้นิมนต์พระนะเออทางว่าท่านท่านมากับเป็นเรื่องของท่านมันไม่ได้รับความสะดวกท่านก็นมาทําไม เราไม่ได้นิมนต์ศรัทธาญาติโยมกุมอนกันมาก็ต้องช่วยตนเองมาดูนะเราก็ไม่ได้นิมนต์ไม่ได้เชิญเพราะอะไรเ <c oughs> พราะวัดของเรานะ่ะกับวัดป่าก็รู้อยู่แล้วอไม่ได้ไม่ใช่ลงแรงลงแรมห้าดาวเมื่อไหร่อเราไม่ได้คิดอะไรอืขนาดเรามาอยู่ใหม่ๆเรายังกวาดไปไม้นอนเราก็ยังพูดให้ฟังแต่ขนาดนี้เราได้ขนาดนี้กันเอาละ ่แพวกท่านทั้งหลายมาจะขอแย่งกันต่างคนต่างแย่งกุฏิกันได้ยังไงให้คนมาเป็นหมื่นกุฏิเมื่อกี่หลังเอเดี๋ยวก็จะทะเลาะ ก, กันอีกเลือกที่รักมักที่ช่างอหลวงพ่อรักคนนั้นหลวงพ่อเกลียดคนนี้พูดได้ยังไงทําให้โง่จนเกินไปถ้าโง่เกินไปก็อย่างที่ว่านั่นเห็นกุฏิยูสี่ห้าหลังคนมาเป็นพันเป็นหมื่นแล้วจะให้ จะให้หลวงพ่อจะให้ไขรล่ะใครมาก่อนคนนั้นได้เราจะไปห่วงไวทไ้ทําไมผ้าห่วงไว้ก็เอาหลวงพ่อทําไมไม่เห็นความสําคัญพวกผมเหรอจะว่าอย่างนั้นไปอีกมันหลายเรื่องหลายราวยิ่งกว่าอะไรกับมนุษย์เพราะนั้นน่ะหลวงพ่อจยว่าหลวงพ่อไม่ได้จัดงานนะใครจะมาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรอถ้ามาก็ดีได้เห็นหลวงพ่อถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรพอหลวงพ่อ ก็เป็นอย่างหลวงพ่อวันยัคมนั่นแหละเป็นยังไงกับหลวงพ่ออินวันยังคำ่ำอยู่แบบสันทุถีประมังทะนังความสันโดดเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดดสันความสันโดดเป็นทรัพย์อันประเสริฐเราอยู่แบบสันโดดจะทํำยังไงบุญบา ร, รมีของเรามีอย่างนี้ ถ้าเราจะสร้างให้หรูหราโอ้อ่าใครมาโอ้คนมามากสร้างเป็นห้องแถวห้องแถวห้องแถวให้คนได้พักเป็นร้อยเป็นพันเวลาคนไม่มาแลวทำไงเป็นขี้ตุ๊กแกขี้หนูปวกขึ้นไปทำร้ายทำลายเสี่งเหล่านั้นหมดดูไม่จือดจริงเหมือนกันโอยทำไมหลวงพ่ออีจะงโง่นักเหมือนโดนเขาด่าอีก เ, อเขาคนมาคืนเดียว มาสร้างกุฏิให้เต็มไปหมดทำไมโง่นักไม่ได้คิดในความเสียหายการดูแรลรักษาต่อไปภายภาคหน้าเลยทำไมหลวงพ่ออินคิดได้ยังไงทำอย่างนี้ทำไมโง่นักหลวงพ่ออินกระดาษเขากระดาษทั้งขึ้นทั้งล่องอีกเหมือนกันเท่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อไม่ใช่ไม่คิดนะเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่มาถ่าจะได้ความสะดวกสบายกว่าไปพักขังนอกก็ได้ ตอนเช้ายัางค่อยมาและพักที่ไหนถ้าว่ามันไม่พักมันสุขภาพไม่ดีจริงๆมาไม่ได้หรอกมาก็ไม่สะดวกมาก็เด็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องมาก็ได้กาบอยู่ที่บ้านก็ได้จะกาบร้งพอินนะกาบที่บ้านก็ได้เป็นไรก็เหมือนเรากราบสังเวทธนิยัตสังเวทธนิยัตสถานนั่นะประเทศอินเดีย หลงตามหาบัวสมัยก่อนพระยังไม่ค่อยไปอินเดียเป็นรุ่นแรกก็คือกรรมฐานไปรุ่นแรกก็อหลวงปู่จวนหลวงปู่วันหลวงปูส่สิงทองหลวงปู่สุพัฒนน่นะมีพระสมุดยี่สิบรืสามสิบองค์คุณสุรีพันธ์มั้งนิมนพระไปคณะหลวงพ่ออยู่ที่วัดปาบ้านตาดเป็นพระน้อยพระหนุ่มเป็นพระน้อย ทีน in ี้ก็คุณจุริพันธ์เป็นฝ่ายอะไรที่มีนา่นแะดูแลเรื่องพุทธศาสนาในไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปเที่ยวไปกราบสังเวยธนิยะสถานที่ประเทศอินเดีย ตอนนครูบาอาจารย์พอได้ยินน ะ, ะไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมก็ฟรีโอ้ใครๆก็อยากจะไปโยมเขาเลยจัดทําอะไรใบอะไรให้เรียบร้อยเดินเรื่องให้แต่นี้หลวงปู่ชิ้งทองก็หลวงปู่สุพัฒบ้านใต้นะี่ท่านก็อยากจะไปบาเนนีะ่อยากจะไปกับหมู่ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนพอยอมเขาในมณฑลโยมจุลิพันธ์นมณฑลแต่ว่าอสององค์นี่ย เคารพในองค์หลวงตาก่อนที่จะไปมันก็ต้องขออนุญาตจากองค์หลวงตาก่อนขออนุญาตจากพ่อซะก่อนถ้าเราไปไปเลยกลับมาเนี่ยถ้าท่านไปวัดท่านชึงทองไปไหนไปอินเดียท่านสุพัฒน์ไปอินเดี ย, ดยกลับมาแล้วจะเป็นยังไงพอหลวงตา น, นี่ท่านเข้มงวดกวดขันมากแกท่าน ท่านองน้อยก็ต้องไปกราบลาท่านก่อนให้ท่านให้อนุญาตซะก่อนขนาดขนาดนั้นอนะ่ะขนาดเป็นพระเถระผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะจะไปไหนก็ต้องไปกราบลาพ่อซะ ก, ก่อนนะตัวนี้ก็วัน่งก็เข้าไปนะเข้าไปก็เกี่ยงกันแล้วงั้นสองพี่น้องจุงปู่ซิ่งทองก็ว่าพูดอย่างอื่นพูดได้ยุแต่จะพูดเอาจริงเอาจังที่จะไปอินเดียอย่างนั้นอ่ะ อไม่กล้าพูดออการปีกเกียงให้อาจารย์ของภูสุพัทสุพัทก็ยิ่งคนไม่ค่อยพูด <c oughs> ไอ้กาไปหมุกห ม, มุบมับมับลงไปแต่ว่าขึ้นไปทั้งสององค์ไปลงตาแทนกับภูเรื่องเล่าต่างๆให้ฟงังพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้น อ, อพูดเสร็จแล้วแต่นะมีอะไรล่ะ อ, อมาวันนี้มีมอะไรแม่ไหน อาจารย์ยุทธทองมอกมองหน้าอาจารย์สุพัฒน์กระจะให้อาจารย์ุพัตร์พูดอาจารย์ุพัฒน์ก็ไม่พูดใช่ไมอาจารย์ุททองก็เกียงกันไปเกียงกันมาจนอาจารย์ยุทองกับผมโยมสุรีพันเขาเนี่ยนิมนต์พวกกับผมนะ่พวกขน้อยนะ่ไปอินเดียไปกราบสังเวชนิยสถานห้สแหง่งมีครูบาจารย์ไป30มสิบขะอง กลผมก็เลยจะมากร า, าบพ่อแม่คุยจาดจะไปกราบสังเวทธนิยสถานกับพวกโยมที่เขาไปในมนตลไปครับผมหลวงตาพอได้ยินเท่านั้นเกลียวหมากมองขึ้นฟ้าเน่ยเอายาเส้นสีเกียวแล้วก็มองฮะ ไปกราบถึงที่ซะก่อนจึงถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมกราบที่เมืองไทยเนะี่ยไม่ถึงใช่ไหมกราบที่เมืองไทยเนี่ยไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นใช่ไหมไปกราบถึงที่ซะก่อนอยังค่อยถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นใช่ไหมท่านก็ไม่พูดอะไรต่ออีกตั้งแต่เงียบเลยพรที่สุก็เลย หลวงปู่สุพัฒน์ก็หลวงปู่เชียงทองเลยแบบลงมามาลองกลองกรอยว่างั้นแนหะละพ่อหลวงตาไม่พูดอะไรต่ออีกแค่ท่านอนุญาตก็ไม่ไหวไม่อนุญาตก็ไม่ไหวเลยพอในเสด็จพอกลาบเสร็จแล้วก็กลับมาไหวไม่ไปแล้วอุปคตเลยถ้าไปกลับขึ้นมาจะโดนค้อนตบพดแน่ๆพวกเราไม่ไปไม่ไปไม่ไปสองพี่น้องอะไรไม่ไปว่างั้นนะองค์อื่นไปมดัดนี่นหะ อันนี้น่ยหลวงพ่อยังบอกตรงตาเนี่พูดถูกว่าเพราะนั้นใครก็ตามนะรักเคารพในหลวงพ่ออินถ้าป่วยไม่สบายกราบอยู่ที่บ้านก็ได้หลวงพ่อแผ่เมตตาให้เหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่จะมากราบถึงเท้าถึงตีนจะก่อนจะมาถึงหลวงพ่ออินอไม่ถึงขนาดนั้นฮะแต่ถึงอย่างไงก็ทํามาได้ก็ดีนานทีปีหนได้มาพบมาเจอกันมาพบมาเห็น หลวงพ่อก็จะเห็นคณะศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหามาเห็นพร้อมหน้าพร้อมตากันอบอุ่นก็ดีนะามาไม่ได้ล้วจะทำยังไงก็อย่างที่ตรงตามหมาบัวท่านพูดนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่พักที่พักพาอาศัยแต่ถึงยังไงก็ตามเรื่องอาว อ, อาหารการบริโภคช่วยๆกันดูเรื่องของใช้ทางไฟฟ้าในครัวก็เหมือนกัน แล้วก็ดูคนด้วยคู่คนที่มาเกี่ยวข้องคนแปลกปลอมมาอย่างไงที่พักพาอาศัยทำอย่างไงของชายของสอยทำอย่างไงให้เก็บใครเป็นคนดูแลรักษาเก็บอย่างไรสิ่งเหล่านี้ให้รอบครอบด้วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันรับผิดชอบร่วมกันขอให้พวกเราทุกๆุกองนะพระในวัดของเราก็มากถ้าแบ่งงานกัน แบ่งงานกันก็ที่ว่าไม่มีปัญหาหลวงพ่อว่านะให้ช่วยๆกันดูแล้วก็ที่พักภากอาศัยที่กุฏิให้ช่วยกันดูแต่นันเนิ่นไว้น่ะดีตรงไหนที่อันไหนที่มันชำรุดอันไหนที่ขาดเหลือขาดตกที่มันรั่วมันแตกมันซึมหลังคาอันไหนที่มันเสียหายเพราะว่าในวัดของเราก็มีลิงเยอะ มันกระโดดใส่หลังคาหรือหลังคากระเบื้องเราก็ต้องดูดูเข้าไปดูข้างในทุกหลังนะให้ช่วยกันดูมีอะไรก็ตลอดตร ล, ลอดถึงลังพงลังพึ่งนะั่นมันพึ่งพระมันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรมันมีวิธีแก้ไขกันทั้งหมดนะั่นแหละเพราะกุฏิไม่ใช่กุฏิพึ่งกุฏิพระ กุติโยมเราไม่ได้สร้างให้พึ่งอยู่มันอยู่ที่หลังเราก็ต้องเปิดหลังคาให้มันสว่างขึ้นมาเอานี้นะเมืองนะกุติหลังเน้ไม่ใช่กุติพึ่งนะกุติพระมันไปหาอยู่ที่อื่นไปแต่อยู่ที่เน่มันก็นต่อยเขาลงไปรบกวนคนอื่นเขาไปรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูทั้งหมดนั่นะอืะ แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปเบียดเบียนมันไม่ใช่นะไปหาเบียดเบียนไปเอาให้โยมไปตีพึ่งไปเอาน้ําพึ่งมากินไม่ได้นะบาปตกนรกเอาเวจีอีกเหมือนกันนะให้ระมัดระวังของพันนี้ดูเราได้ทดําหรือความบริสุทธิ์ใจด้วยความหรือความจงใจเจตนาดีไม่ได้เบียดเบียนแต่เราก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะเหตุไรเพราะว่าเสนาสะนะ มันเป็นของสงฆ์เป็นของวัดเป็นของพระสงฆ์จะต้องได้ใช้เพราะนั้นถ้าว่ามันไม่ได้ใช้จริงเอก็ไม่ว่ากันลนะแต่ถ้าว่ามีความจำเป็นกับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะแล้วก็พร้อม ก, กันก็จะให้พวกเราทุกคนนะถึงจะมีการมีงานช่วยการช่วยงานทำหน้าที่งานการงานดีที่สุด แต่ไม่ขาดตกปกพ่องแต่พยามัจจุราชควรให้อภัยเขาเพราะช่วงนี้เขาทําการทํางานเขาทํางานดีเหลือเกินพยามัจยุราชมันเดว่าอย่างนั้นนะพยาบาทพยามัจยุราชเดินย่องหลังอยู่ตลอดเวลาทําการทํางานมันเหนื่อยมันเพลียเข้ามาเป็นลมพยามัจยุราชบีบคอซ้ําอีกตาลีจะเลือตายไปอีกต่างหาก พวกนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ให้ภาวนาเอาไว้ชีวิตนี้น้อยนักไม่รู้ว่าวันไหนล่ะถึงจะทำการทำงานอยู่ก็เจออย่าไปลืมหลง ล, ลืมตัวเองคุณงามความดีบุญกุศลภาวนาน ให้อยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอันนั้นที่เราทำนั่นก็เป็นบุญกุศลส่วนหนึ่งเป็นการสร้างบา ร, รมีทานะบา ร, รมีประกอบคุณงามความดีสติปัญญาของเราส่งเสริมบา ร, รมีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแต่ว่าเราจะไปถือจุดนั้นเป็นเรื่องเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆก็ไม่ใช่เป็นส่วนประกอบ แต่เนื้อหนังจริงๆก็เรื่องภาวนานั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนั่นแหละอันนั้นแหล่เลิศประเสริฐอันนั้นถูกทางาถูกจุดหมายปลายทางจถูกจุดพ้าประสงค์ของพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนพวกเราท่านเน้นเรื่องเน้นเรื่องภาวนา แต่ส่วนอื่นๆนั้นนนเป็นส่วนประกอบเท่านั้นนะพวกเราอย่าไปถือว่าสิ่งอื่นถึงจะทําเลิศประเสริฐขนาดไหนก็เถอะอันนันน้นเป็นเป็นเป็นส่วนประกอบท่า น, นเองตัวเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆก็คือภาวนาจะทํำยังไงจิตใจของเราจรึงจะพ้นทุกในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นจุดนั้นแหละสาคัญนะเพราะฉะนั้นการทํำสิ่งไหนก็ตามอย่าไปหลงอย่าไปลืมตัว ไม่ใช่ว่าข่าทําดีแล้วพยายามมัจจุราชให้อภัยข่าไม่เป็นอย่างนั้นนะฮถ้าพ่อทำไปมันเหนื่อยเนยเข้าไปแล้วเป็นลมนะพอเป็นลมเข้าไปแล้วพยายามมัจจุราชบีบคอซ้ำอีกนะตายเลยมันรู้จะไปไหนทีไหนี้ฮาะนั่นในพวกเราถูกๆท่านนะภาวนานะสรุปแล้วนะทาง้งในกลัวขาดเรือขาดตกอะไรช่วยๆกันคิดหลวงพ่อมีแต่เรียกมากล่าวมาเตือนเท่านั้นนะอย่าไปหาทะเลาะกันนะ ใครปากแหลบใครเล็บยาวนะบอกหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อจะต่อยเขี้ยวต่อยเล็บตัดเล็บออกไม่ใช่จะตัดเล็บนะตัดกระทั่งข้อมือเลยเพรางั้น <c oughs> ไม่ใช่จะถอนเขี้ยวนะถอนถอนฟันอีกต่างหากมันทำไมไมาหากัดหมูเนี่ยว่าดูดูนะอยู่ด้วยกันต้องรักกันเหมือนพี่น้องเหมือนอวัยวะ พึ่งพาอาศัยกันมีอะไรแบ่งอยู่แบ่งกินแบ่งใช้หลวงพ่อไม่ได้สอนให้ลูกๆหลานๆทั้งหลายทะเลาะบาวชแหว่งกันนะอย่าไปอวดดีอวดเก่งมีอะไรกันพึ่งพาอาศัยกันต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่ว่าองค์นั้นเก่งองค์นี้เก่งผลสุดมีแต่องค์เก่งๆกัดกันนัวเนียเหมือนกับหมา เ, เหมือนกับลิงหน้าวัดหลวงพ่อใช้ไม่ได้นะ มันต้องรักกันเมตตาซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันต่อไปภายภาคหน้ากันนะั่นถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ลูกนอ้องป้องปลายทั้งหลายลูกน้องบริวารทางหลายใส่ลาบใส่ยศใส่เงินใส่ทอง อยากจะให้ล่ำให้รวยกับทางด้านวัตถุใหม่นะหลวงพ่อจะให้พวกลูกน้องของหลวงพ่อเป็นศีลเป็นธรรมถึงจะจนก็ให้จนแบบมีศีลมีธรรมให้หนักแน่นในศีลในธรรมจนก็จนแบบเขารบนาเขารบคารวะเพราะเป็นผู้มีศีลธรรมถ้ารวยก็เออเอา ก็ไม่ว่ากันเพราะบุญบา ร, รมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้ารวยก็รวยด้วยศีลด้วยธรรมอย่างพระสิวลีรวยเพราะพระพจเจ้าท่านไม่ได้อิจฉานะพระสิวลีไปที่ไหนรวยพอเดินทางไกลาทางกันดาลไปถามพระอนอนท์บอกอ น, อนนท์สิวลีมากับเราไหมเนี่ยมาพระเจ้าข่า มาจิวดีมาเออถ้ามาเนะี่ยไปทางลัดเลยไม่ต้องไปทางโคง้งถ้าไปทางโคง้งเดินทางไกลไปทางลัดคือไปทางลัดมันมันไม่มีบ้านคนไม่มีบ้านคนแล้วก็ไม่มีอาหารไม่ไม่มีชุมชนอีกต่างหากแต่ไปทางลัดแต่ไม่มีชุมชนพระไปหลายเลาะตั้งสี่หร้องค์จะไปฉันที่ไหนไม่มีชุมชน อ, อ่า แต่พระอุปพระศิวลีมาไหมเนี่ยมาพระเจ้าข่าเออเอาไปทางรัฐเพราะอลายจึงพาไปทางรัฐเพราะพอไปถึงในที่การดานพอไปพักแรมเท่านั้นพ่งนี้เช้าจะบินทบาท เ, าเทพพระเจ้าเราเทวาแถวนั้นโอ้ยพระผู้เป็นเจ้าศิวลีมาแล้วพวกเราไปใส่บาตรนะเนอพระศิวลีมาแล้วทํำไมใส่บาตรไม่ได้นะเพราะบุญบารมีของท่านได้สั่งสมมา ถ้าพวกเราไม่ไปทําบุญใส่บาตรสีสระของพวกเราแตกเป็นเจ็ดภาคเพราะนั้นพวกเราต้องไปทําบุญเนี่ยนะพอพรุ่งนี้เช้ามาเทวดาจําแลงตัวเป็นคู่คนมาใส่บาตรเอาอาหารมาใส่บาตรพระสงฆ์พระพุทธเจ้าได้ฉันเป็นที่เป็นที่เป็นที่นี่นแหละอเนกสงทวบบุญบา ร, รมีของพระศรีวลีพระพุทธเจ้าก็ยังพึ่งพาอาศัย ผู้ที่มีบุญบรารมีไม่ใช่ว่าพ้นที่ทุกข้าวจะกอกหม้อก็ไม่ขนาดไปบินเท่าบาทายังไม่มีใครใส่บาทให้ตัวเองนะเราจะไปพึ่งได้ยังไงพระองค์อย่างนั้นเพราะอไรเพราะท่านจนท่านไม่มีมันก็คนเรามันก็แตกต่างกันอย่างนั้น องที่มีเราก็ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์องค์ที่จนเราก็ให้ช่วยช่วยกันดูอีกแบบหนึง่งนี่แหละการอยู่ด้วยกันต้องเฉลือเผื่อแผ่กันพึ่งพาอาศัยกันนี่แหละร่มเย็นเป็นสุขที่ไหเพราะเรารู้จักการเฉลือเผื่อแผ่กันไม่ใช่ว่าเขาเหนือกว่าแต่อิจฉาตาเหลือเกอินั้นเพ้อเพ้อเจ้านะไปตกนรกหมกไหมจึงจะรู้จักว่าตัวเองทําชั่ว ใช้ไม่ได้นะอย่างนั้นนะเอาตอนนี้ไปก็คงไม่มีอะไรมั่กที่นี่นะ